วันนี้ก็เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งแรม8ค่ำเดือนหปี48ให้พวกเราตระ อ, อกตั้งใจเลือกภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราที่อุตส่าห์พยายามเข้ามาอยู่ในป่าดงพงไัยวัดปา่าถ้าว่าพวกเราไม่ภาวนาแปลว่าเข้าป่าเข้ามาอยู่ในป่านี่ เสียเปียบอย่างมากไม่รู้ว่าเข้ามาเพื่อจุดหมายปลายทางอะไรการอยู่ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยความดุ่งยากทั้งหมดการเดินทางการกับกุฏิเรื่องน้ำเรื่องท่าการเป็นอยู่ทุกอย่างไม่สนุกสนานไม่ได้ทำตามอาเภอใจไม่ได้ทำตามอัธยาใจของตัวเองไม่ได้ทำตามความสะดวกสบายที่ตัวของเราต้องการ เข้าบาเป็นพระเข้ามาอยู่ในวัดก็ต้องอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยอยู่ในกฎเกณฑ์ของหลักธรรมวินัยเป็นหลักออกนอกจากนั้นนอกจากหลักธรรมวินัยเป็นหลักแล้วยังอยู่ในกฎระเบียบของวัดอีกการอยู่ด้วยกันหลายองค์หลายท่านก็ไม่ต้องมีกฎระเบียบขึ้นมาภายในวัดเราจะไปยังไง เราจะอยู่ยังไงบินทบาทเวลาเท่าไรชั้นเวลาเท่าไรอันนี้คือกฎระเบียบที่พวกเราจะต้องปฏิบัติร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเราไม่ได้ตั้งใจภาวนาไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าฤกครูบายการป ร, ประพฤติปฏิบัติมาพวกเราเข้ามาอยู่เฉยๆมาอยู่พักเฉยๆแปลว่ามาอยู่นี่ เป็นเรื่องที่ทุกข์ใจมากทีเดียวเพราะมาอยู่ไม่ได้ไปตามเป้าหมายที่พ่อแม่กูบายจารย์ได้แนะนำสั่งสอนเอาไว้ถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้การกระทำสิ่งใดก็าตามมันต้องมีที่รับมีที่แจ้งในใจขององค์นั้นคนนั้น ต่อหน้าก็ทำอย่างหนึ่งแต่รับหลังจะทำอย่างหนึ่งสรุปแล้วก็คือไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำพวกเราไม่เชื่อในการกระทำของตัวเองอยู่เป็นวันๆอยู่ไม่มีอนาคตอยู่ไม่มีความมุ่งมั่นอยูด่ด้วยความไม่เชื่อมั่นสรุปแล้วก็คืออยู่ไม่ได้เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำของเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็เลยไม่เชื่อว่ากรรมชั่วนะั้นมีจริงหรือเปล่ากรรมดีมีจริงหรือเปล่าเพราะด้านการอยู่ของพวกเราก็อยู่แบบสั่ะตายไม่ได้มีความมุ่งมั่นไม่ได้มีความตั้งอกตั้งใจถ้าอยู่ลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าอยู่ตามแนวแถวผู้เข้ามาศึกษาเราได้รับการศึกษา จากครูบาจารย์จากพ่อแม่ครูบาจารย์จากหลักพระธรรมวินัยในภาคปฏิบัติอันดับแรกเราก็ยังไ ม, ไ, ไม่ได้มีความเชื่อเคารพนับถือเราได้ยินได้ฟังจากพ่อจากแม่จากครูบาจารย์ผู้ที่รักเคารพนับถือบอกว่าให้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาจะดีอย่างน้นตีอย่างนี้พวกเราก็เข้ามาด้วยความเชื่อในผู้ใหญ่แนะนําเข้ามาแต่พอเข้ามาแล้วมาถึงจุดนี้แล้ว พวกเราควรจะศึกษาในแนวแถวจริงอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้แนะนำมาหรือไม่อันนี้พอเราเข้ามาจุดนี้แล้วเราก็ต้องศึกษา เ, ออเมื่อศึกษาแล้วเป็นยังไงทำมาศึกษาแล้วเอาอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้ผลเข้าที่ควรเราก็ไม่ควรจะโกหกคนอื่นต่อไปเพราะว่า เราปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลแต่ถึงยังไงเราทำจริงจังหรือไม่คนที่เขาปฏิบัติแล้วเขาเป็นยังไงเขาได้ผลอย่างไรหรือไม่เราทำผิดที่ผิดทางหรือไม่เราย่อย่อนหรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาศึกษาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำให้จริงทำให้จังว่าหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เรื่องสมาธินี่เป็นจริงจังอย่างนั้นหรือไม่แต่ถ้าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติแล้วพระธระาาะม ร, รมรำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถ้าว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจะประสบความสุขไม่มากก็ต้องน้อยตามขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนเอง เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาปวดหรือเข้ามาอยู่ในวัดวาศาสนาถ้าหาว่าพวกเราไม่ตั้งใจเข้ามาพวกเราเข้ามาอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่เชื่อแล้ะไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของผู้ริจ้าแล้วเข้ามาแบบขาดทุนนะเนีย่ยจะว่าไม่บอกไม่เหมือนทางโลกถ้าเราอยู่ทางโลกเราจะกินยังไงก็ได้เราจะร้องเพงลงร้องลําทําเพลงอยู่สนุกสนานยังไงก็ได้อยู่แบบโลกเขาแต่มาเมืออยู่อย่างนี้ อมาอยู่ยังไงเอมาอยู่แบบเออตัวเองก็ไม่เชื่อแต่อยู่แบบล บ, บๆซ่อนๆเงื่อนเชื่อเงื่อนในใจของตัวเองเอาไว้แต่ในใจส่วนลึกของหัวใจแล้วไม่เชื่อเออแต่ฟังฟังนอกนี่อก็พยายามทําไม่ให้คนอื่นจับพิรุษตัวเองได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นทุกข์ทั้งยืนเดินนั่งนอนจิตใจจะไม่องอาจกล้าหาญจิตใจจะ เศร้ามองจิตใจจะไม่ผ่องใสเพราะจิตใจในส่วนลึกแล้วมันมีอะไรอยู่ฝังอยู่เออมันมีตัวกิเลสฝังอยู่คือความไม่เชื่ออยู่ในนั้นมีอยู่เพราะนั้นพวกเราควรจะกาจัดควรจะทำความเข้าใจกับจุดนั้นควรจะทุ่มเทสังสมศึกษาตรงไหนไม่เข้าใจอย่างไรให้ถามครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ จากนั้นก็ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังท่านแนะนำอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างนั้นให้เชื่อกูบาอาจารย์ไว้ก่อนต่อไปทางว่าเราปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วถ้าไม่เข้าใจให้ถามถ้าไม่ได้รับผลตามที่เราปฏิบัติแล้วให้ถามไม่ใช่เรามาอยู่ศึกษาแล้วไม่ถามใครจากนั้นก็มัวเมียไป ตัดสินด้วยตนเองอันนั้นแปลว่าทั้งโง่ทั้งมาและก็โ ง, ง่ทั้งอยู่และก็โ ง, ง่ทั้งไปด้วยมันสามโง่เลยเพราะนั้นพวกเราจะให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราเข้ามาเราโง่เพราะเรายังไม่รู้เมื่อเราเข้ามาอยู่เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ความฉลาดจากตำรับตำราจากเทพจากหนังสือจากหมู่จากเพื่อนจากครูบาอาจารย์เสาะแสวงหาความรู้จากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัต จริงจังเมื่อปฏิบัติจริงจังแล้วคิดว่าผลแห่งการปฏิบัติต้องได้รับแน่นอนเพราะคนจริงธรรมะเป็นของจริงอยู่แล้วถ้าคนรอแหละเข้ามาก็อย่างนั้นเมื่อเข้ามาก็รอแหละแล้วจะเห็นของจริงได้อย่างไรเพราะธรรมะเป็นของจริงเพราะนั้นพวกเราทุ ก, ท, กท่านนะให้จริงจังกับตนเองแล้วก็จริงจังต่อหลั ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะได้รับความเจดกเย็นใจในการกระทาของพวกเราอันดับแรกก็ให้จริงจังเรื่องศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ของเราเรื่องศีลให้มุ่งมั่นเรื่องศีลจากนั้นก็เรื่องสมาธิให้จริงจังในเรื่องสมาธิ เรากำหนดกรรมฐานอันไหนให้จริงจังในกรรมฐานนั้นจากนั้นทางวิปัสสนาเราก็ให้พิจารณาร่างกายสังขารนี่มันเป็นนิจจังและเป็นอนิจจังแต่คนพวกเราท่านทั้งหลายว่าเป็นนิจจังของเที่ยงแต่พระพุทธเจ้าว่าเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอีกสักวันหนึ่งจะต้องแก่ต้องเฒ่าจะต้องตายไม่มีใครจะอยู่ ชัฟ้าดินฉลายตายทุกคนเพราะนั้นหลักธรรมท่านว่าอันนี้จังของไม่เที่ยงร่างกายของคนเราไม่เที่ยงแต่นี้มันเป็นยังไงใจของเรายอมรับไหมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนาสั่งสอนตรัสกล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราให้พิจารณาจุดนี้ให้มากเรื่องปัญญาวิปัสนี่ อย่างเมื่อเช้าหลวงพ่อได้ยินที่องค์หลวงตาท่านตอบปัญหาคงจะเป็นค ร, า ว, ารวยต่ำปัญหาหลวงตาหลวงตาครับใจของผมมันร้อนเมื่อใจมันร้อนเนี่ยอารมณ์เข้ามากระทบอย่างแรงเนี่ยใจมันร้อนอยู่ตลอดเวลาจะปล่อยเลยตำเลยหรือจะให้ผมพิจารณาอะไรหรือจะเข้าสมาธิแต่มันเข้าไม่ได้เออ จิตใจกำหนดตะกอมันก็เคยเข้าสมาธิได้แต่วันนี้มั น, ม, นมันเข้าไม่ได้แต่มันร้อนจะให้ผมทำยังไงถอนออกซะก่อนถอนออกไปพักซะก่อนใช่ไ้ยหรือว่าจะให้พิจนารณาอะไรหลวงตาท่านบอกว่าสู้ลูกเดียวถอยไม่ได้จุดนี้แหละเป็นจุดที่ตลุมบอนถอยไม่ได้เมื่อจิตมันร้อนมันร้อนเพราะอะไรต้องหาเหตุ มันไม่ใช่อื่นไกลเนี่ยแหละตัวราคะตันหาเนี่ยเป็นตัวที่ที่มันทําให้ร้อนต้องสู้จุดนั้นดูจุดนั้นนะจุดที่จะเป็นจุดใหญ่ที่สุดที่จะต้องสู้ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเบางานเบาไปแล้วแต่ว่าเหมือนน้ําซึมต้องใช้มหาสติมหาปัญญาอันละเอียดที่ขุดเขี่ยขุดคน้นตัวกิเลสต่อไป แต่ตัวนี้ต้องสู้นะถ้าไม่สู้ไม่ได้ตัวนี้ถ้าว่าใครแท้ก็ไปวางไห้ท้องพึ่งไปเลยแหละเสียหลักเสียท่าไปเลยถ้าหาว่าสู้แนละ้วมีท่าที่จะชนะเพราะนั้นมีลูกเดียวต้องสู้อันนี้หลวงตาตอบปัญหาเมื่อเช้านี่มาฟังมาพิจารณาดูแล้วมันเป็นอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆคือตัว กามาราคาตัวกิเลสตัวเนี้ถ้าว่ามันไม่ได้คิดอะไรมันคิดความเดือดร้อนขึ้นมาอารมณ์เข้ามากระทบมันคิดคุณเครื่องขุนข้องเข้ามาในใจมันไม่ได้มองหาที่อื่นว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงเราจะไปยังไงเราจะอยู่จะกินยังไงมันไม่ได้คิดมันคิดแต่เรื่องที่มันมากระทบท่านเองบางคนก็ไม่ได้คิดถึงไกลขนาดนั้น พอออกไปแล้วโอ้โหทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราจึงคิดอย่างนี้เราทำไมเผลอออกมาอย่างนี้ที่ไหนได้มันมันกิเลสมันให้เขาวล็อกคอตีเขาเข้ายอด อ, อกเราแล้วแปลว่าเราสู้มันไม่ได้แล้วจากนั้นก็เลยต่ำเลยพระนิสสุก็เลยตายเปล่าเอาชนะกิเลสตัวนี้ไม่ได้เพราะนั้นกิเลสตัวนี้ เป็นตัวสําคัญนะเหมือนกับน้าน้น like, ําไหลภูผาต้นโศกโต้นเหวงั้นเถอะมันแรงถึงขนาดนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องสู้การที่จะสู้จุดนั้นได้ไม่ใช่ว่านอนสู้เอผ้าขมหัวสู้เอร้องให้สู้ไม่ใช่อย่างนั้นการที่จะสู้จุดนั้นได้เอเราต้องอดนอนผ่อนอาหารเหมือนกับช้างที่มันตกมัน เขาทำยังไงเขาต้องมัดขาใส่ต้นไม้ไม่ให้มันกระดุกกระดิกไม่ให้กินยาไม่ให้กินน้ําเพราะมันลืมตัวในจุดนั้นจนกว่าที่มันจะลืมตัวจนกว่ามันจะรู้สึกตัวได้บ้ามันคือใครควานช้างเจ้าของช้างคือใครมันรู้จักเแะควานช้างเข้าไปใกล้เรียกเข้ามาเฮาเฮามันจะรู้จักเข้าก็คือเราเรานะแะมันจะมองเออพับหูพับหางแสดงว่ามันรู้เจ้าของนะ เขาจึงปล่อยมันแต่ในช่วงที่มันตกมันอย่างนั้มันขึ้กลางหูอยู่างนั้นเรียกไกลๆเฮ้าเฮ้าไปแล้วก็ไม่ฟังอ่างั้นเถอะมันมีแต่จะกระเทืบเข้าไปเรื่อยๆจุดนั้นเขาก็ต้องมัดแข้งมัดขาสิต้นไม้ตึงเอาไว้เลยอย่างั้นเถอะไม่ให้กินหญ้าไม่ให้กินน้ำนั่นแหละเขาจัดการกับช้างตกมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราก็เหมือนกันนะ เอต้องดูการเคลื่อนไหวกายวาจาใจของเรามันช่วงไหนมันคลึกมันขนองขึ้นมาเราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงเอไม่ใช่เจ้าภาคขมหัวแล้วมานอนคิดปรุงฟุง้งซ่านมีแต่ตายลูกเดียวถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราต้องสู้เออเพราะกิเลสตัวนี้มันมันไม่ใช่ธรรมดากิเลสตัวราคะตัณหาเนี่ยมันเหมือนกับน้ําโจรมาจากภูเขาเออ สนันวันไว้เลยแล้วงั้นแต่แต่เอาชนะมันได้แล้วนี่ลาบยุบไปเลยไม่ยุบได้ยังไงจบตัวนี้ได้ก็คือพระ อ, อนาคามีพระ อ, อนาคามีนะหมดกิเลสราคะโทสะไม่มาเหยียบแผ่นดินนี้อีกมีแต่เข้าสู่นิพพานเ อ, อเข้าไปบำเพ็ญอยู่พรมฉุดทาวารห้าชั้นอวิหาตปาสุสาสุสีสอัคนิฐาจากนั้นก็เข้าสู่นิพพานเลยเ อ, อ่ จะไม่ราบคาบได้ยังไงพราะนั้นเรื่องตัวนี้ให้ดูนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้าน้อยผ้าหนุ่มการอยู่การฉันกันหลับการนอนการพักผ่อนต้องระมัดระวังอย่าไปนอนตามอาเภอใจอย่าไปกินตามอาเภอใจอย่าไปพูดคุยตามอาเภอใจอย่าไปทำอะไรโดยที่ไม่มีสติถ้าเป็นอย่างนั้นเข้ามาไปไม่รอดนะพูดได้คำเดียวพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมสมัยผม เป็นพ้า น, น้อยผ้หนุ่มมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเห็นรูปไหมเออถ้าหางว่าเนี่เห็นที่ขอถ่ายรูปไว้เนี่ยผมยังเห็นรูปตัวเองอยู่โอ้เออสมัยก่อนเนี่มีต่วหัวบางัันแต่เออตัวผอมนะเออเพิ่งมาอ้วนไม่เมื่อไม่นานมานดเองสมัยนั้นห้าสิบเจ็ดกิโลทั้งที่เราสูงนะน้ำหนักห้าสิบเจ็ดกิโลบางทีห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดยืนพื้น ทุกวันนี้ยังค่อยมันขึ้นมาเพราะอายุมันแก่ก็เลยขึ้นมาแต่สมัยนั้นน่นะการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างการหลับการนอนการอยู่การฉันต้องระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นอย่างลงตามหาบัวก็เหมือนกันอท่านเห็นพระเห็นเนนอการอยู่การฉันแบบไม่ระมัดระวังตัวเนี่ยท่านตาเขียวปัดใส่เลยเพราะเหตุใดท่านไม่ได้หวงสิ่งของ ท่านไม่ได้เสียดายสิ่งของแต่ท่านเสียดายพระเนรของท่านถ้าาว่ากินตามมังเภอใจนอนตามมัเภอใจท่านเคยทำมาแล้วทาในใจมันหมดคุณธรรมในใจมันหมดเพราะกิเลสเข้ามาเหยียบยีจากนั้นตัวเองก็ไม่รู้จักมีแต่ร้องโห่ร้องให้ทุยฝายเพราะไม่รู้จักรักษาตัวเองท่านเองเนี่ยท่านบอกนมเราก็ไม่ฉันไข่เราก็ไม่ฉันอาหารเสริมทุกอย่างเราไม่ฉัน เราต้องระมัดระวังในเรื่องการเป็นอยู่การหลับการนอนเรานอนตื่นเดียวพอนอนแล้วพอจะดุ่งตึ้งขึ้นมาลุกเลยเเราขนาดนั้นอะเรารักษาเรารักษาตัวของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พูดเอาเล่นๆนะเอผูอ้ที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะเอาชนะใจของตัวเองได้ท่านต้องสู้นะไม่ได้กินออกลากท้องออกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะ อ, อกินเท่าไรเต็มท้องลากออก กินตามอาเภอใจนอนตามอาเภอใจจากนั้นเนี่ยนหละกิเลส ต, ตัวนี้แหละมันจะขึ้นมาตีเตะก้านคอพวกเราว่างั้นแหละอะให้ระมัดระวังกันแล้วกันเพราะฉะนั้นการบอกการกล่าวทั้งนี้นี่ยไม่เราไม่ได้ว่านะเอะเราก็ย้ําแล้วย้ําอีกเรื่องการอยู่การฉันด้วยคําพูดอย่างเนี้ยแต่ก่อนผมก็ไม่ไม่เคยพูดรุนแรงถึงขนาดนี้พูดอย่างรุนแรงเลยให้ได้คิด ถ้าพูดธรรมดาอ่ออเนี่ยมันไม่ถึงใจไม่ได้สำเหนียกไม่ได้สำนึกให้ระมัดระวังการอยู่การฉันการเป็นอยู่ทุกอย่างถ้าว่าใครจะอยู่ดำรงทรงศาสนาปฏิบัติคงเส้นคงวาเสา ะ, ะแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองทุกอย่างการอยู่การกินการหลับการนอนการพูดคุยแต่ทุกอย่างนั้นให้เตรียมพร้อมพยายาม พิจารณาให้มากสมาธิสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากจากนั้นก็สมาธิพยายามทําจิตให้สงบจากนั้นพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาอสุภาษ่วยมากร่างกายของเรามีอะไรบ้างแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ฝึกหัดหรือไม่ได้เตรียมพร้อมอกินแล้วนอนก่อนแล้วนินมีอะไรกับกินอย่างที่ว่าเนี่ยนังท้องตึง นังตาย่อนก็มีแค่นั้นแหละแต่ละวันธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาในจิตในใจของพวกเรานั้นจะล่อยหล่อไปเรื่อยๆ เ, เพราะนั้นพวกเราให้ฟังไว้นะในสิ่งเหล่านี้เป็นการเตือนเป็นการสอนพวกเรานำทำแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเขาอยู่ปาดงพงไพกัยเพาะสิ่งเหล่านี้แหละหนีสิ่งเหล่านี้แหละเพราะนั้นพวกเราให้พยายามปรับ ปรุงตัวนะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีให้รู้จักว่าตัวของเราเป็นยังไงอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงเ อ, อถ้าว่าใจของเราไม่ได้รับความร่มเย็นมันจะเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรถ้ามันเป็นลักษณะปุ๊บจัดการกับมันทันทีเลยเอ อ, อดนอนผอเนะอาหารพยายามหลบอยู่ดูใจของตัวเองอยู่ตลอดอย่างเมื่อเช้าได้พูดว่า หลวงปู่จวนท่านอยู่ในป่าดงดงมอทองสมัยนั้นช้างตายท่านเอากระดูกช้างมาแขวนคอท่านอคนทั้งหลายเห็นเขาก็ว่าเะเออแต่ถ้าคนไม่รู้เขาก็ว่าบาปแต่ว่าท่านรู้แก่ใจของท่าน่ะมันหลงกระดูกถ้าเห็นกระดูกอยู่ตลอดเวลากิเลสราคะมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเห็นกระดูกอยู่กระดูกของเรากระดูกของเขากระดูกใครๆกระดูกทั้งหมดมันเป็นอสุภะปฏิกูลทั้งหมด มันจะเกิดขึ้นไหมถ้ามันไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นละ่ะมันจึงเกิดกิเลสเฉกสันปัญญอขึ้นมาว่าสวยงดงามน่ารักใครพอใจกิเลสมันขึ้นเอมันตีขึ้นมาจากจิตจับใจถ้าเห็นอสุภะอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนแล้วนั่นแหละไม่เบื่อมากก็ต้องเบื่อน้อยไม่รู้มากก็ต้องรู้น้อยไม่คลายมากต้องคลายน้อยเอผลที่สุดก็คลายจนหมดนะเอัใครเป็นเป็นผู้ให้ ความสำคัญในสิ่งเหล่านั้นใจเท่านั้นเองไปให้ความสำคัญสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างที่ใจเสกสรรปัญญหรือเปล่าตาไม่จริงสังขารร่างกายมันเป็นยังไงที่มันปิดตาของเราก็คือผิวบางๆเท่านั้นเองปิดร่างกายของพวกเราที่มันทำให้มนุษย์ตาฟางังบุรุษตาฟังสตีตาฟางัาฟางหลงไหลลุ่มหลงมัวเมาเรื่อง กิเลสเหล่านั้นถ้าหากว่าพวกเราพิจารณาตัวนี้ให้มากเจริญให้มากเพิจยรณาให้ทุวนทีเห็นสิ่งเหล่านี้อะไรคือความสวยงามผมสวยงามใช่ไหมโกนผมออกมากองไว้สวยงามไหมเนี่ยขนถอนออกมาทั้งหมดงามไหมเล็บถอนออกมาทั้งหมดงามไหมฟันอถอนออกมาทั้งหมดงามไหมหนังถลกออกมากองไว้งามไหมเนื้อถลกออกมา แกองไว้อีกกองงามไหมกระดูกเป็นท่อนๆงามไหมตับไตลาไส้ปอดหัวใจเอามาไว้เป็นกองกองงามไหมเหมือนกับของอาหารอยู่ในครัวอย่างนั้นะเนื้อหมูหนังหมูกระดูกหมูอย่างนั้นมันเป็นยังไงถอดกองของตัวเองออกมาดูกองกองกองกองกองไว้มันเป็นยังไงงามไหม อันไหนเป็นที่วางงามอันไหนแปลว่าสวยอันไหนที่น่ารักใครชอบใจจริงไหมอันไหนที่น่าพอใจถ้าพิจารณาได้เห็นอยู่อย่างนี้ใจของเราจะเป็นอย่ังไงไม่คลายมากก็ต้องคลายน้อยไม่เบื่อมากก็ต้องเบื่อน้อยเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นคือใจไปให้ความสำคัญ มันออกไปจากใจใจไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นมันจึงสําคัญเพราะนั้นมันวางที่ไหนวางที่ใจเมื่อวางที่ใจก็นั้นละ่ะพระอนาคามีไม่หาที่ไหนหาที่ใจอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ใจเมื่อรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางอสุภะทั้งหมดร่างกายทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางแล้วด้วยปัญญาจริงๆแล้ว เปียนนาเวลาไหนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆรเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะไปยึดถืออะไรนั่นล่ละจิตใจก็จะหลุดพ้นยังเหลือแต่อวิชชาที่อยู่ในใจเท่านี้ส่วนราคากระกับโทสะนี่หมดอวิชชาคือความหลงนั่นยังติดอยู่ทางว่าท่านชำระตัวนี้ไดนะ้ท่านก็หมดนิพพานไปเลยแต่ทางว่ายังไม่หมดก็ขึ้นไปอยู่ พมสุทธาวาสห้าชั้นอย่างที่ว่านั่นจากนั้นก็ไปชําระดูที่นั่นอีกแต่ว่าท่านไม่มาลงมาเกิดอีกแล้วผู้ที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดในวัตฏสงสารก็คืออะไรก็คือกิเลสราคะนี่แ่ะที่ชักจูงหรือชักลากให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีอื่นไกลเลยตัวนี้แหล ะ, ะการมราคะเนราคะโทสะเนี่ยเยโทสะยังเป็นน้องมันอยู่นะ ต, ตัวราคะเนี่ยเป็นตัวใหญ่ เป็นตัวการทีเดียวเลยแต่โดยมากจะไม่ค่อยพูดกันพอพูดขึ้นมาก็ ป, ปิดปิด บ, งบงังอ่งมุกๆุกงับงับไปแล้วไปจบไปไม่กล้าที่จะพูดแต่ตามไม่จริงกิเลส ต, ตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่มากในหัวใจของมนุษยชาติในหัวใจของสัตว์ที่รฉนทุกประเภทเลยไม่ว่าแต่พวกเทวดาอินพรหม ม, มีทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราเพิจารณาให้มากนะสมาธิเป็นสิ่งจาเป็นสาคัญสติ อยู่กับตัวเองพยายามให้มีสติการเคลื่อนไหวทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนให้มีสติจากนั้นก็พยายามกําหนดลมหายใจเข้าออกให้เข้มงวดกวดขันเมื่อสมาธิดีแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาร่างกายเ น, นี่ยนะไม่จ้องพิจารณาอื่นเนี่ยเว่ามาั่งกายมั่งกายพิจารณาร่างกายเนี่ยคือหินลับปัญญาปัญญาจะคมกริบได้เพราะพิจารณาร่างกายเพราะนั้น ร่างกายเนี่ยมองข้ามไม่ได้ต้องพิจารณาร่างกายมันหลงกายเอมหลงปูมั่นท่านพูดเป็นภาษาเอทางอีสานว่าหลงหนังหลงหนังอาจารยตไม่จริงมันหลงหนังหลงหนังออหลงหนังคือหนังของคน่ะมันบางๆถ้าถลกหนังเอาแล้วไม่มีอะไรที่จะหลงพอหลงร่างกายแล้วก็หลงอย่างอื่นไปด้วยเอหลงร่างกายคนอื่นเนี่ยหลงลูกหลงเมียหลงทรัพย์สมบัติหลงพัะสถานหลวงหลง ยศถาบรรดาศักหลงไปหมดทุกอย่างถ้ามันหลงตัวเองแล้วถ้ามันรู้เท่ารู้ทันในตัวเองแล้วถึงจะทำอยู่ในโลกทำก็ศักริ์วาทําไม่หลงคือหน้าที่จะต้องทำการอยู่ร่วมกันควรทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่หลงออทำตามหน้าที่ทำตามเหตุตามผลเออพอจากนั้นก็ถึงขราวไปแล้วเอาอจากกันไปตายกันไปไม่หลงแต่ถ้าว่ามันหลงตัวเองแล้ว ว่าตัวเองเป็นเทวดาว่าตัวเองเป็นผู้ยั่งยืนเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็นั้นแหละทีเดียวว่าตัวเองจะไม่ตายแล้วสิ่งไหนก็กว้านเข้ามาหาตัวเองบันเพราะมันหลงตัวเองเพราะนั้นพวกเราพิจรารณาให้เห็นตัวเองนะมันไม่น่าจะหลงมันจะหลงไปที่ไหนกระดูกทั้งหมดกระดูกทั้งร่างมันจะหลงที่ไหนมีหนังหุ้มอยู่อีกสักวันหนึ่งจากนี้ไปอีกกี่ปีกี่เดือนล่ะ เราจะต้องทิ้งร่างนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองก็ไม่คิดว่าจะพูดมากถึงขนาดนี้แต่เข้ามามันมีเรื่องเข้ามาสัมผัสเข้ามาในใจก็เลยพูดให้ฟังเสียยืดยาวแล้วก็มั่นใจว่าที่พูดไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันหลงอย่างนั้นจริงจริงเพราะนั้นพวกเราให้พยายามดูกายดูใจของตนเอง ถ้าเราเพิจนนารณาให้ทวนทีทีทวนแล้วนั่นละถอดถอนอัตตานนติติคือไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นล่ละมรรคผลนิพพานไม่ต้องหาที่ไหนนะอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดนะการพูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรขอยุติไว้เพียงเท่านี้